พระธรรมเทศนาแผนที่99าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่9ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าวิปัสสนาต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาา้าวคณะสัตยาโยม ต่อไปได้ตั้งใจฟังวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสมโธมธนิยกถาถารบเนื่องในงานทาบุญอายุวัฒนะมงคลครบหนึ่งร้อยห้าปีของพระอุรมยานโมลีวงเล็บลุงปู่จันสีจันททีโปพันษาขององค์ท่าน 8ปสา้าพันษาที่ท่านบวชมาได้8ปดสา้าพันษาแต่ท่านยังไม่นับไม่นับพันษาเนนของท่านอีกนะเป็นเจ้าอาวาสท่านดำรงเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลว ง, ลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2559 ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเห็นคณะทายาิโยมที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อนี่ขาวไปหมดแต่เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้แสดงธรรมแต่ังวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเก้าอี้ที่นั่งอยู่แถวๆหลังหลนโคมงคม พวกพวกเราคงจำได้นะ เ, เ, เข้าอีดแสดงทำนจนเก้าอี้หักเลยว่างั้นแต่ <c oughs> แต่วันนี้คงไม่มีอีกนะเพราะนั้นพวกเราคณะสัทธ า, ยาโยมโลูกหลานหลวงพ่อมาเห็นแล้วก็อบอุ่นทางจิตใจเพราะถึงยังไงถึงหลวงปู่ท่านก็ ชราภาพตามอายุสังขารอายุถึงร0 5ยหปีพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าอายุถึงขนาดนั้นก็จะต้องอยู่ในใกล้ อ, อยู่ในใกล้หมอหมอดูแลเดี๋ยวนี้องค์งงท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬากรุงเทพนะไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะท่านก็ไปอยู่ที่นั่น ฟังฟังดูแล้วสุขภาพของท่านก็ทรงทรงทรงทรงชดชดทรงทรงุดๆๆๆชดทาไมจึงว่าสุดก็เพราะว่าอยาลกลงพอดก็ชดไปทุกวันเหมือนกันนะลูกหลานนะเอไม่ใช่ว่าจะทรงนะเอมันจะทรงได้ยังไงใช่ไหมล่ะอาอายุกแกไปเรื่อยๆแก่วันแก่คืนแก่เดือนแกปีอแต่ว่าทรงได้ยังไงไหลไปหน้าเรื่อยๆอย่างเนี้ย หลวงพ่อ พ, พระฝรั่งที่นั่งทางซ้ายหลวงพ่อเนี่ยเป็นไงหลวงพ่อสุขภาพหลวงพ่อพอทนไหวพอทนไหวพ่อมันแก่ไปเรื่อยแก่ไปอะไรรู้ไหมแก่ไปหาที่ไหนไม่พูดกันจุดนั้นพ่อเป็นที่รู้กันนี่แหละอันนี้คือชีวิตของพวกเราหลวงพ่อไม่ได้พูด เป็นอย่างอื่นไม่ได้สะทกสะทานมันไหลไปอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท่านั้นเองใช่ไในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้คณะสัทยาธิรมโยมทุกทุกท่านนะวันนี้ก็หลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมจบลงไปแล้วนะหลวงพ่อมีอ็มสรุ่น ทีหลวงพ่อแสดงธรรมมาต่างกลมต่างวาระเพราะเดี๋ยวนี้ M-P-3 พของหลวงพ่อนี่ร้อยกว่าแผ่นแล้วนะร้อยกว่าแผ่นแต่ตามไม่จริงก่อนน่ะเนื้อหาสาระก็ยังเป็นหลวงพ่ออินพูดยังเก่านั่นแหละไม่เป็นองค์อื่นนะแต่ว่าเสียงในเอ็มพีเสียงดังฟังชัดแต่เนื้อหาสาระก็ยังเป็นองค์เก่าอยู่แต่ถึงยังไงก็ เ, เมื่อแจกปีที่แล้วลูกหลานบางคนก็อาจจะฟังมากเกินไปอาจจะสํารุดหลวงพ่อเอามาเติมไม่อีกปีนี้คนละแผ่นนะหลวงพ่อมา600แผ่นไม่รู้จะครบหรือเปล่าไม่รู้จะเกินหรือเปล่าหลวงพ่อกะมาประมาณหกร้อยแผ่นนะคนละแผ่นละแผ่นละแผ่นเพราะนั้นเมื่อหลวงพ่อจะแดงทําจบแล้วนะคณะสัท ย, ยายญาติโยมลูกวันลูกหลา น, ลลานฟังแล้วไม่จุกใจวะ อยากอยากนะ่ฟังต่ออีก น, ะนั่นแหละเอาเอ3สเปิดฟังเลยจะเนี่ยอยู่ในนั้นทั้งหมดมีอยู่ยีสิบภากันย4 2 5ี่ยี่ากันแล้วก็ตั้งหลายชั่วโมงนะในแผ่นเดียวนะฟังจากเมืองอุดรลงไปถึงกรุงเทพและก็ฟังจากกรุงเทพมาถึงอุดรนะจบไปแผ่นหนึ่ง ขนาดนั้นละลกหลานคณะัทธาญาติโยมไม่ใช่น้อยนะที่หลวงพ่อจะแจกหลวงพ่อคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าแจก MP3 แจกธรรมะแจกหนังสือให้คณะัทธาญาติโยมได้ศึกษาได้ยินได้ฟังถ้าแจกขนมนมเลยแจกท็อฟฟี่นะแจกทอฟฟี่พอแจกให้เสร็จแลว้วอมปับขปากแลกว้วจบเลยใช่ถ้าแจกเหรียญ พอได้เหรียญมาแล้วก็สองซ้ายสองขวาเอาหากระจกสองแล้วสองอีกสองแล้วไปเก็บไว้อีกทีนึ่ก็เพียงแค่นั้นแถ้าหาว่าพวกเราได้ธรรมะอพอได้ฟังธรรมะหลวงพ่อให้ธรรมะในเอ็มทีสบอกเราได้ฟังทกคนศรัทธา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน เ, เกิดมาในโลกนี้ จะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะพวกเราต้องประสบสิ่งที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่สิ่งที่พอใจนะั้นเออดีถ้าสิ่งที่ไม่พอใจนั่นก็เราก็ทกใจไม่พอใจทุกใจในเมื่อทุกใจเราจะทํำยังไงเราต้องอดทนต้องอดทนนะเราเกิดมาต้องอดทนต้องมีขันติคือความอดทน ถ, ถ้าเราอยู่ในสถานที่ใดต้องอดทน อยู่กับพ่อพ่อแม่อดทนถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็อดทนต่อลูกเราอยู่ในสถานที่ใดเราเป็นลูกน้องก็อดทนในเมื่อเป็นเจ้านายเราก็อดทนมันมีความอดทนอยู่คนละแนวกันนั่นเองนะถ้าทุกคนมีความอดทนการอยู่ด้วยกันถึงจะหนักหนาสาหาัสขนาดไหนก็นไปในปเป็นแนวทางที่ดีได้ เพราะพวกเรามีความอดทนนะนี่แหละถ้าพวกเราได้ MP3 พีหนังสือที่หลวงพ่อแจกไปนะ่พวกเราได้อ่านเพียงแค่นี้แหละเอาใช้ไปตลอดนานเท่านานทีนี่ใช้นานนานเลยทีนี่เพราะเหตุไรเพราะว่า เ, าเป็นธรรมะที่พวกเร า, เาที่ได้ได้ยินได้ศึกษาแล้วนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเห็นว่าการแจกหนังสือธรรมะและจาก MP3 พนี่ มีประโยช น, น์ในความคิดของหลวงพ่อนะเพราะนั้นลุงพ่อจึงได้แจก m อ็มแจกหนังสือให้กับคณะสัตายาญาจงถ้าจะว่าไปแล้วก็สัตยาญาทุกทุกวันนี่นะถ้าไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์พวกเราก็คงจะเห็นหลวงพ่อในแจกหนังสือและแจก m อ3ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่บางบางคนอาจจะคิดไปในทางที่ไม่ดี คงจะคิดว่าโอ้หลวงพ่อยินเนี่ยคงจะประชาสัมพันธ์อยากจะให้ตัวเองตัวเองเนี่ยเด่นดังประกาศเอาทำคําสอนออกมาเพื่อโคดชนะประชาสัมพันธ์ตัวเองให้เด่นดังแต่หลวงพ่อไม่นะหลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นนะลูกหลานนะหลวงพ่อให้ให้เอาไปศึกษาดูนะเอาไปฟังดูนะ เอาไปเรียนศึกษาเนอนะคนที่จะเฉลียวฉลาดได้นะ่ะต้องได้รับการศึกษาจึงจะเฉลียวฉลาดได้แต่ ท, ทกคำํำที่หลวงพ่อพูดไนนวด้ในนั้นในเอ็มที่สก็ดีในหนังสือก็ดีที่หลวงพ่อไดอ้พูดได้กล่าวไว้ในนั้นให้พวกเราเอาไปศึกษาไปฟังดูแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเชื่ อ, อที่หลวงพ่ออินพูดในนั้นนะอย่าเชื่อ ให้ฟังไปก่อนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังไปแล้วก็นำไปกันกรองไตรตองเอกให้ถีทวดอย่าพึ่งเชื่อนะเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสารบุตรที่เราตถาที่เท่าที่เราตถาคตตรัสไปนี้นะ่ะพูดไปนี้นะ่ะเธอเธอเชื่อไหม ภาษาลีบุตรกลาบโผลพระพุทธเจ้าอย่างกอดพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อนะพระสงฆ์ทางหลายก็ฮือฮากันเด็เนี่ยโอ้โหภาษาลีบุตรหัวดื้อหัวรั้นหัวแข็งจริงๆขนาดพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนแท้ๆเลยยังไม่ยอมรับยังไม่เชื่อภาษาลีบุตรในท่านองตอนเหลือเกินนะพระพทรง บ, บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทางหลายเร็วเราจะถามให้ฟังอีกเราจะถามอีก ทำไมเธอจึงไม่เชื่อล่ะสาลีบุตรเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นาไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระพุทธองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าขาดนี่ละสงทั้งหลายพวกเธอท่านทั้งหลายฟังสิ่งไหนมาแล้วก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อเอาตัวอย่างอย่างสาลีบุตรนี่ละนี่ละสารีบุตรนี่ละ่ะเป็นตัวอย่าง เมื่อเราได้ยินได้ฟังสิ่งไหนมาแล้วก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อให้นําไปปฏิบัติในเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วนัน่นแหละเอจงค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นนัลูกหลานนะตามตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนที่ น, นี่นะถ้าผู้ใดถ่ายภาพที่มีแฝดกันงดงดซะก่อนนะปอกแฝดเข้าตาหลวงพ่อหลวงพ่อพูดไม่ไปไม่มาแล้วนั่นลูกหลานนะ พอหลวงพ่อเป็นพระป่าพระดงนะสายเฝดเข้าตาแล้วก็เสียสมาธิอย่างมากเลยพูดไม่ไปไม่มาเลยล่ะ <c oughs> อันนั้นให้ตั้งใจฟังหลวงพอ่พอจะกล่าวอะไรให้ฟังวันนี้นะโมตัสสะภควะโตสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราคณะสิทธิ์คณะ สัาาตยาดโยมลูกหลานองค์หลวงปู่พระผุรมยานโมลีหลวงปู่จันสีจันทกีโปที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถึงนามขององค์ท่านลูกหลานทั้งหลายพอถึงวันที่8ที่9ที่สิเป็นวันครอบรอบวันเกิดของหลวงปู่พวกเราก็ไม่ลืมเ อ, อ่อลำลึกถึงถึงจะอยู่ห่างไกล อูต่างจังหวัดดูต่างประเทศก็คงมีได้มาแสดงความเคารพคารวะในองค์หลวงปู่เห็นแล้วก็อบอุ่นที่หลวงพ่อได้เห็นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านที่มาร่วมมารวมกันในวันนี้แสดงออกซึ่งความเคารพมุ่ทีตาสักการะในองค์หลวงปู่เพราะองค์หลวงปู่อายุ ร้อยห้าปีปีนี้ปี 2,559 ห้าอหลวงปู่อายุร้อยห้าปีเต็มต่อปอดปยนี่ก็คงจะเป็นหนึ่งอยหปีแต่ถึงอย่างไรปีหน้าพวกเราก็คงจะมาพบมาเจอกันอีกอแต่หลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะพ่อหลวงพ่อปีนี้เราลอะและนะ็เต็มทนนะรู้สึกว่าการเดินไปที่ไหน ไม่เหมือนแต่ก่อนมันอ่อนล้าอ่อนอ่อนเพียนะก่อนรู้แก่ใจเลยอายุเจ็ดสิบปีนั้นหลวงพ่อนะปีนี้นะเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้มาคราวนี้ครั้งนี้นับว่าถือว่าเป็นมันเป็นถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลที่ได้มาพบคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานแล้วก็เห็นว่าพวกเราพวกพวกท่านในช่วงนี้ ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่วัดธรรมมงคลวัดหลวงปู่วิทยังท่านก็สอนให้พวกเราเรื่องครูสมาธินะไปทุกหัวและแห่งมากมายทีเดียวพวกเราก็ได้ฝึกเรื่องวิธีการทาสมาธิเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องเรื่องอย่างอื่นนะเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องทานพวกเราก็หลวงพ่อเองไม่เคยตําหนิเพราะว่าคณะสัทธาญาตโยมเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหลวงพ่อยังไม่ไม่ได้ตําหนิเพราะว่าถ้าพวกพวกเรามีจตุ ป, ปัจจัยก็พร้อมกันเสียสละคนละมากคนละน้อยเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาเพื่อทําสร้างบุญสร้างกุศลสําหรับตนเอง ถ้าฝาคคนเราในหลักของพุทธศาสนาแล้วถ้าว่าพวกเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าไม่มีอเ น, นสงทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้อดอยากจะเป็นผู้ขาดตกบกพร่องในปัจจัยสี่เพราะหลเพราะอเ น, นสงทานไม่มีอนนสงสินคุ้มครองพวกเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอเ น, นสงสินคุ้มครอง จะอยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขจะไม่มีใครมาเบียดมาบังมาลาังแกมาคมเหงหรือมาเบียดเบียนเราเพราะอเ น, นสงอ น, นสงสินคุ้มครองนะแต่อเ น, นสงเรื่องภาวนาจะทำให้จิตใจของเราด้วยตัวของเราเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้ความเป็นอยู่หรือสติมั่นคงเพราะ อเ น, นสงสมาธิอเ น, นสง์ปัญญาเนี่แหละอเ น, นสงทั้งสามอย่างทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองสําหรับพวกเราพหลัพกพุทธศาสนาแล้วพราะพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้หลวงพ่อไปนะสถานที่ใดหลวงพ่อเองก็ได้กล่าวถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนีตายบอกว่าตายแล้วสูญ เราก็หมดอะไรตายอยากจะทำความดีไปเพื่ออะไรในเมื่อเราวันพุ่งนี้ไม่มีเราจะเก็บหอมรอมริบ เ, เงินคาทรัพย์สมบัติไปเพื่ออะไรเพราะวันพุ่งนี้ไม่มีเราก็กินเสียให้ฉลาดเจ้าวันนี้ถ้าเก็บไว้ก็มันก็เปล่าประโยชน์เก็บไว้ให้โง่าทาไมแต่ถ้าหากว่าเราเคิดว่าวันพุ่งนี้ไม่มีเราก็กินซะว่าใช้จ่ายให้หมดวันนี้ แต่วันนี้มันมีแล้วนี่ เ, เมื่อวันนี้วันพรุ่งนี้มันมีแล้วพวกเราเไปตั้งต้นใหมเ่เราคิดดูสิว่าจะลาบากขนาดไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้วางแผนเอาไว้ในอนาคตนี้ก็เหมือนกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะเราไปพิสูจน์ดูแล้วที่โคลนต้นโพเมื่อวันเดือนหกเพน เมื่อ 2,559 ปีให้หลัง พ, พระพุทธองค์ไปบาเพ็ญอยู่ในป่าสิท ธ, ธัตถะไปบาเพ็ญอยู่ในป่าทึงหปลงลงีลองผูก ล, ลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกจนวันที่ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นหละวันนั้น่ะตอนหัวคำ่ำปุเพนิวาสานุจติญาณรละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพระธรรมคำสอนของพุทธานะ ขวัญระลึกชาติผลหลังได้เป็นอันว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เ, ออเกิดมีมีพหน้าชาติหน้า เ, ออเพราะว่ารบพระองค์ถ้าวัาตายแล้วสูญ่ะพระองค์จะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงเพรา ะ, ะว่าตายแล้วสูญแต่นี่ไม่พระองค์บอกว่าตายแล้วเกิด เ, ออเพราะนั้นพวกเราต้องเชื่อเชื่อทำคำสอนของพุทธะนะ ให้เชื่อเอาไว้ก่อนจุดนี้นะไม่พ่อเชื่อเสร็จแล้วเราต้องนําไปพิสูจน์เมื่อได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะต้องเชื่อไว้ก่อนแล้วก็นําไปพิสูจน์อย่างภาษารีบุตรอย่งไม่ปฏิเสธนะเมื่อฟังแล้วก็นําจะนําไปปฏิบัติวจะสอนอย่างไงพระพระองค์สอนอย่างไงนี่แหละอันนี้เ ร, ร, ราว่าพระพุทธรูปว่าปกเพรนิว่าสานุจติยาน ระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรสิบชาติ50ชาติร้อยชาติ500ชาติหมื่นชาติแสนชาตินะพอระองค์รู้หมดเพาราะญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตาตยานได้ตัดสู้อีกเป็นญาณที่สองนจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลาย พอเกิดแล้วก็พอตายแล้วก็เกิดเพราะทุกคนเ ก, กิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายพอตายแล้วก็เกิดเกิดที่วัดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดการนี้ป็นวาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏ์สงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณทีนี้พระองค์ก็บอกว่าทําไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่แลเกิดมาทําไมไม่เหมือนกัน รูปร่างกายตัวก็ไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันหน้าที่ตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันความมั่งมีสีสุกก็ไม่เหมือนกันนี่แหละมันมีมากมายถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วทำไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันพราะพระองค์เขาแปลกใจอีกเหมือนกันท่านก็มองดูวิญญาณของพวกเรามามองดูใจของพวกเรามองดูวิญญาณของพวกเราทุกๆดวงเนี่ยมาจากไหนมาเกิดที่นี่ แล้วในอดีตแต่ชาติของดวงวิญญาณพวกดวงวิญญาณนะมีกรรมอะไรพราะพระองค์ก็มองดูอีกแต่แล้รดวงวิญญาณมีกรรมคือการกระทำทำดีคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็พูดดีคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วมันมีกรรมอยู่สองอย่างคาว่ากรรมค่ะเนีเ่ถ้ากรรมดีแล้วว่ากุศลกรรม ถ้ากรรมชั่วแล้วอะกุศลกรรมมันมีสองสองกรรมนะไม่ใช่ว่ากรรมอย่างเดียวโอ้ใช้กรรมไม่โลกกรรมดีและกรรมชั่วถ้าใช้กรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมถ้าใช้กรรมไปในทางที่ชั่วเราอะกุศลกรรมในเมื่อเราใช้ไปในทางทางกรรมชั่วนี่แหละเกิดมาแล้วก็หูดวกตาบอดบ้าใบเป็นพิคนพิกงพิการทุกอย่ากลำบาก หาอางอาหารที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกระทางยากเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วเป็นผู้ให้ผลมาแต่ผู้ที่กรรมดีให้ผลเกิดมาแล้วก็จเจริญ ร, รุ่งเรืองอ่าวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดในตระกูลสูงอีกต่างหากร่ารวยมั่งมีสีสุขคิดอะไรขึ้นมากัสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาเพราะอะไรอันนี้คือกุศลกรรมให้ผลพระพรองก็บอกว่า ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงมองดูเหรอเพราะเขาทำกรรมไม่ดีคนนี้จึงมาเป็นอย่างนี้แต่คนที่โอเเขาทำกรรมดีเขาสร้างบุญกุศลเขาจึงได้มาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพระ อ, องค์จึงรู้ได้ว่ากรรมเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแตกแต่ต่างกันไม่ใช่ใครอื่นคิดชั่วทาชั่วกำรรชั่วให้ผลไปทางต่า คิดดีทำดีพูดดีใจดวงนั้นก็เป็นกุศลเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เจริญรุ่งเรืองเพราะเขาคิดดีทำดีพูดดีมีแต่สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนี่แหละพระรองจึงบอกว่าอักตังดุกตังเส้ยโยปัจชาตะปติดุกตังยยตกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละพระองค์มองมองเห็นดูสรรพสัตว์จากนั้นควจวนสว่างทําไมใจดวงนี้จึงเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระองค์ก็มองดูแล้วว่าใจตรงนี้เต็มไปด้วยกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสอยู่ในใจคือกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ โลกกรกหลงอยู่ในจิตใจของของใจแต่ละดวงเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแดนั่นเองนะ เ, เป็นเพื่อกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นพระ อ, องค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโคลนต้นโพในวันเดือนหกเพ่นนั้นเป็นอันว่าในวันเดือนหกเพ่นนั้นพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ ทรสามอย่างคือปุเพนิวาสานุจติยานจูตูตตปปาตยานอาสาวะไยะยานอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธแต่จะนี่มาพูดถึงหลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิที่น เ, เรื่องสมาธิเพราะพวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องครูสมาธิจากหลวงปู่วัดธรรมมงคลหลวงปู่วิทยังของพวกเรา ท่านก่อนเนี่ยนะท่านเชิดชูประเด็นให้กับปกุกให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวในเรื่องการทำสมาธิในเมื่อพวกเราจิตใจเป็นสมาธิดีคิดคิดจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่เลอะเลอะเถอะือนๆด ล, ล, ล, ล, ลางลางมันดีทั้งนั้นนะคณะจัด ท, ทายญาตโยมถ้าว่าพวกเราขาดสตเิเป็นบ้าแค่อย่างเดียวเนทะ่านั้นหมดทุกอย่างเลย ไม่ไรเพราะคนขาดสตินะเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่คืออบรมจิตใจให้มีสติมีสมาธิถ้าคนที่เป็นสมาธินะต้องมีสติขึ้นหน้าก่อนนะถ้าว่าคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะจะเป็นสมาธิไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้มั่นคงสัก่อนเป็นอันดับแรกสติต้องนำหน้าถ้าว่าพวกเราเขาดสติ นั่งสมาธิเดี๋ยวก็หลงหลกลืมลืมจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเรื่องก่อนที่จะเป็นสมาตอนนี้ที่เป็นสติขึ้นมาได้เราจะทำอย่างไรก็มีหลายวิธีอีกเหมือนกันเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านบอกว่ากรรมฐาน40สิอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจรวมเป็นหนึ่ง ที่ตั้งสมาธิที่ตั้งสตินะเสติที่ตั้งสตินี่คือกรรมฐาน40และก็มากกว่านั้นอีกออกรรมฐาน40นี่คือกล่าวไว้บอกไว้พอประมาณแต่นอกนั้นกว่านั้นยังมีอีกถ้าเราศึกษาในประไตรปิฎกแล้วนะมีมากที่เดียวที่พระอรหัน ได้ตัดได้สำเร็จเป็นพระหรหันในครั้งพุทธกาลท่านพิจารณาอย่างไรท่านกําหนดอย่างไรท่านเห็นอะไร น, นี่ท่านเราได้ฟังในหลักธรรมคําสอนของพระหรหันในพุทธในสาวกรประวัติในคราวนั้นในครางนั้นในพระไตรปิฎกนั้นเราจะรู้ได้ว่าโอ้กรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่ท่านวางไว้สี่สิบอย่างเป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาแล้วไม่ใช่กลุ่มเดียว มากมายที่จะทําให้จิตใจเข้าสู่ความสงบแต่เอาเถอะนะทีนี้เมื่อกรรมฐาน40เนี่ยเราจะกรรมฐานเราจะภาวนาวันนี้พุทธานุสติข่าวนาเราจะทํามานุสติข่าวหน้าศังข า, านุานาสติข่าวต่อไปสีลานุสติข่าวต่อไปจาขานุสติคะเราจะไล่ไปทีทีละกรมฐานกรรมฐา น, รรฐานอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะโพดอย่างนั้นได้เลยทนะีน้ไม่ใช่ พระพุทธเจ้าให้เอากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งจะยึดเอาอะไรก็ได้กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งให้นํามาปฏิบัติไม่ต้องเอากรรมฐานหลายอย่างแต่ว่าเมื่อยึดกรรมฐานมาแล้วเราก็สังเกตดูสังเกตดูตัวเองนํามามาบริกรรมแล้วมันเป็นยังไงใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นไหมถ้าไปภาวนาไปแล้วเออมันไม่สงบว่ะ เราจะเปลี่ยนกรรมฐานต่อไปอีกก็ได้ เ, เขาได้ยินว่ากรรมฐานไหนที่ได้รับความยือกเย็นแล้วก็กรรมฐานนั้นแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้จับจดนะเปลี่ยนได้เรื่อยกรรมฐานเรื่อยไม่ได้อันนั้นผิดเราต้องภาวนาดูกําหนดดูให้ชัดเจนใช้เวลานานพอสมควรการกลองไตรทองด้วยเหตุและผลทําไมใจของเราจึงไม่สงบเราบริกรรมกรรมฐานอย่างนี้อันนี้เมื่อ เราเอากรรมฐานนั้นมากำหนดแล้วนะถ้าว่ามันสงบแปลว่ามันถูกกับจริตมันถูกกับจริตของเราเราก็ใช้กรรมฐานนั้นมาเครื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแต่ถ้าเรามาภาวนาแล้วมันภาวนาเข้าไปมันไม่สงบมันไม่สงบมันยังหลุดออกไปได้เราก็เอาก ร, รมฐานที่อคิดว่ามันจะดี อมาบริกรรมทดลองดูแต่เอาจริงเอาจังนี่แหละอันนี้ก็คือเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังถ้าในครั้งพุทธกาลถ้าเราภาวนาไปแล้วมันจิตใจไม่สงบเราก็จะไปหาพระอาจารย์เออแล้วไปหากราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์ทําไมจำจำทําไมจึงไม่สงบเพราะพระองค์ก็จะแสดงให้ฟงังเออเธอควรจะกําหนดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ อันนี้คือเป็นวิสัยของพุท ธ, ธะหรือสาวกะที่เป็นผู้แนะนำแต่พวกเรามาสุดท้ายภายหลังอย่างนี้พวกเราก็ต้องพึ่งตนเองนั่นแหละนี่ยินแนะนำคําสอนจากครูบาอาจารย์แล้วพวกเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายใจของพวกเราขณะหลวงพ่อนี่เป็นพระมีหลวงตาองค์หนึ่งเนี่ท่านอาจารย์ผมภาวนานี่ พุโทโธพุโทโธพุทโธมันแน่นแน่นแน่แ น, น, นหน้าอกเข้ามาแต่ผมก็เลยเปลี่ยนกรรมฐานใหม่เปลี่ยนทำวิหารว่าทำโมทำโ ม, ำโมรู้สึกองค์มันโล่งสบายใจแต่ลุงพ่อเลยยินลุงพ่อก็แปลกใจอีกเหมือนกันเอา้าทําไมพุโทโธกับทำโมมันแปลกกันที่ตรงไหนคือสองคำเหมือนกันก็ไม่น่าจะแปลกกันไม่น่าจะแปลกแต่เขาผู้เขาปฏิบัติเขาได้ผล เ, ออเขาว่าเขาได้ผลมีความสุขใจจิตใจมันโล่งเอออันไหนที่มันโล่งมันมีความสุขอันนั้นเกิดถูกกับจริตของเราไงนะถ้าเอาว่าทำเข้าไปแล้วมันอัดอัน้นตันใจมันแน่นหน้าอกไงนะ เ, ออเราบริกรรมเข้าไปนะพุทโธพุทโธนะก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นควรจะเอาทาโมฮนะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะ แต่ถึงยังไงก็ตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยท่านจะสอนให้ยึดพุทโธเป็นหลักตามไม่จริงเพราะพรดไเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่โครนต้นโพ่ท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วทากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็คือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ในโคลนต้นโพในวันนั้นอันนี้เราศึกษายัางไงก็นี่แหละคือมาในผสมผสหลวงพร ะ, ร ะ, ระ พ, รพุทธประวัติ เออทีอ่ได้ถึงศึกษามีจะพูดอย่างเดียวกันหมดคือพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ในวันนั้น่กะกรรมฐานอะไรเนี่ยกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนออี่อแต่ว่าพาถึงหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพวกเราที่หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิทธิอนุสิทธิของท่านคือเอหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหมาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ยามที่เป็น <c oughs> หลวงปู่แหวนห ที่เป็นลุกสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของท่านโดยมากหลงปู่มั่นให้ภาวนาพุทธโธแต่เวลาพุทธโธของหลวงพ่อปู่มั่นเนี่ยแปลกแตกต่างกว่าพระพุทธเจ้าดวยเวลากําหนดหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธนี่แหละให้มีให้มีพุทธโธด้วยนะถ้ากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้ากําหนดนั้นมันหายมันมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่าย มันหลงส้นได้หลงเงื่อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้สำทับกับพุทธโธด้วยนะนี่ละหลวงตามหาบัวท่านก็นยอมรับในจุดนี้ผู้บาอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ญาณิสิทธิ์ของหลวงปู่มัน่นยอมรับกันทั่นหน้าเพราะหลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะฉะนั้นท่านจึงนํามาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวต่อต่อกันมาเพราะฉะนั้นพวกเราคณะทา ย, ยาทโยมศิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่คูบาอาจารย์ควรจะยึดจุดนี้เป็นหลัก หายใจเข้าบริกรรมพหายใจออกบริกรรมโทเวลาก้าวขาขวาพดขาซ้ายโถ เ, เวลาทำความสะอาดปัดกวาดบ้านมีสติสัมปชัญญะเียงขวาพดเวียงซ้ายโถบริกรรมพดโถในทุกอริยบทแต่เมื่อเราขับรถนะ่ะลงอนะบางคนก็ถามนะเราจะภาวนาพดโถทำอย่างนั้นได้ไหมอ้าวในขณะที่เราขับรถเราก็ยืดจุ่นออกไปเราก็ต้อง รเราเหวียงระวังในการทำงานทำการเราก็ต้องใช้การใช้งานใช้สติสำปะชัญญะในการดูแลความปลอดภัยแล้วเวลาทำการทาบัญชงบัญชีอย่างเนี้ยเราก็ต้องเอาสติปัญญาของเราไปใช้ในจุดนั้นในเมื่อเราหยุดใช้ในจุดนั้นแล้วเราก็กลับเข้ามาหาสมาธิของเราอีกอย่างหน่งกเหมือนกับยางสติกในเมื่อเราใช้เราก็ยืดใช้งาน แต่เมื่อเราหยุดใช้แล้วมันก็หยุดหดตัวเข้ามาหาที่เก่าคือให้มีกรรมฐานอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของสมาธิหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติสัมปชัญญะได้ทุกอริยบทนั้นดีมากในเมื่อเราภาวนาเข้าไปทีนี้กำหนดลมหายใจเข้าเวลาเรานั่งสมาธินั่งนานไม่หลวงพอ่อนานเท่าที่จะนานได้ให้นานที่สุด แต่บางท่านบางคนก็ถูกกับจริตในการนั่งแต่บางท่านบางคนก็ถูกจริตในการเดินบางทีเดินเข้าไปเนี่ยมันไม่ห่วงแล้วกำหนดลมหายเวลาเราเดินขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพด โ, พด โ, โในการก้าวเดินแล้วเวลาเรานั่งกาหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถนเะพราะเราก้าวเดินเราจะไปภาวนากาหนดลมไม่ได้นะสับสนนะทนี เผลอๆอาจจะตกทางจงกลมได้ง่ายๆเพราะนั้นพวกเราจงกำหนดขาแต่บางคนก็บอกว่าทำไมสายหลวงปู่มัน่นทำไมจึงเอากรรมฐานมาเหยียบย่ำผลเท้าของตนเองเอมันขาดความเคารพหรือนี่อันนี้หลวงพ่อก็เคยได้ยินเพราะนั้นบอกกล่าวให้คณะสัตยาทาตาโวมได้ฟังเลยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกว่า สี ส, สูงเท้าต่ำท่านไม่ได้ว่าท่านวอาเป็นธาตุสีเท่านั้นในร่างกายของเราธาตุสีดินน้าลมไฟในร่างกายของเราท่านท่านไม่ได้บอกว่าหัวสูงเท้าต่ำแต่พวกเรามายึดมาให้ความสำคัญเท่านั้นเองว่าหัวสูงตีนต่ำถ้าว่าตีนไม่มีคุณค่าเราตัดขาทิ้งซะเอาไว้แต่หัวเป็นยังไง มันเป็นได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะตัดหัวทิ้งเอาเท้าไว้เพราะเท้าสําคัญกว่าก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันเป็นอวัยวะครบสูตรครบส่วนเพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่าเท้าต่ําหัวสูงหัวสูงเท้าต่ําไม่ได้ทั้งนั้นเสมอกันมีคุณค่าเสมอกันในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดละเอียดละอถึงขนาดนั้นเวล า, 9, าก้าวไปกือท้าวาพุท ขาสายโถเพื่อให้มีสติสัมภาชัญยะเราไม่ได้เหยียบย่ำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราอยากจะดูเราจะเหยียบย่ําตัวกิเลสราคาโทสะโมหะเท่านั้นที่เราจะภาวนานเราไม่ได้เหยียบย่ำคุณธรรมอะไรทั้งหมดเราจะเหยียบย่ําตัวกิเลสในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจรึงบริกรรมขาขาขว า, ข า, ขวาพุทขาซ้ายโถนั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทให้ใจออกโถ อันนี้คือสมาธาิหรือว่าสมถ tha สมถะ tha หรือสมาธิสมัท tha คือทำจิตใจให้สงบสมาธิคือทําใจจิตใจให้นน่งแต่เราพยายามถ้ามันมันเผลอไปเราก็ดึงพยายามดึงกลับมาให้อยู่ที่ปลายจมกูกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะทําจิตใจให้สงบ ไม่เหลือวิสัยเพราะนั้นเวลาเรานั่งเข้าไปหลายครั้งต่อหลายหนมันไปด้วยวิธีอย่างไรเราก็สังเกตดูแต่หลวงพ่อขอแนะนำอีกเคยมาแนะนำที่นี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่คราวนี้ก็ขอแนะนำอีกเพราะคณะจตหาญาตโยมบางคนก็ยังเคยไม่เคยได้ยินหลวงพ่อไว้ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกมันหา ก, ม, หากมันหลุดไปให้บริกรรมพุทโธทีทีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโะ ในใจิตใจเอาสามทับกับตัวโกรู้ตัวนึกคิดนะ่ะไม่ให้มันไปที่อื่นอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของหลวงปู่มันแต่หลวงพ่อเคยภาวนาได้ผลอีกส่วนหนึ่งก็คือกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามคือนับนับเป็นตัวเลขเพราะเราชำนิชนานาญในการรับนับตัวเลขใช่ไหมเอนับไปถึงร้อยไม่เผลอ ถ้ไม่เผลอแล้วก่นนับหนึ่งมาอกีกแต่โดยมากมันจะเผลอนะ่ะพอนับบางทีไม่ถึง10บเปอร์เซตหาไปถึง20่สิปอร์เซหามันเผลอเผลอเอามันเผลอได้อย่างไงเราก็ให้สังเกตตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอกีกแล้วมันเผลอมันเผล อ, อยังไงเวลาหายใจเข้านี่หนึะเป็นเลขขี้นะสเป็นเลขคู่หายใจออก3เป็นเลขขี้หายใจเข้า4เป็นเลขคู่หายใจออกแต่พอมันจะเผลอมันจะเบลอเลอพอเบ ล, อ, บ ล, อ, บลอเสร็จแล้วนะ หายใจเข้าเนี่ยจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี้ท่านที่มันจะขี้คู่ขี้คู่มันกลับมาคู่ขี้นะนี่แหละเพียงแค่นี้แหล ะ, เ, หละเราก็รู้ได้ว่าสติของเราดีหรือไม่ดีในเมื่อเราไม่ดีมันจะเป็นสมาธิไม่ได้นะเข้าสมาธิไม่ได้เพราะมันสติของเราเนี่ยเลือนลาง ม, มันสลับไปมันสลับมาอยู่เพราะนั้นต้องตั้งสติให้เข้มแข็งนี่นับใหถึงร้อยได พอนับถึงร้อยหลายครั้งไม่เพลิดจากนั้นกับวิกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโถพดโถนี่แหละข่าวนี่มันจะเข้าสู่ความสงบแต่ น, นี่แหละวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นนะจากนั้นเราก็ภาวนาพดโถพดโถเจตนั้นใจของเรามขาจะรวมรวมรว ม, รวมเข้ามาสั้นสั้นเข้ามาแต่ก่อนมันนู่นไปอังกฤษอเมริกาพอต่อมาเขามาอยู่แถวเอเชีย ญ, ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะ พอต่อมาก็อยู่ในเมืองไทยนะพอต่อมาก็อยู่ในเขตจังหวัดอุดรต่อมาก็มาอยู่กับตําบลอําเภออําเภอตําบลต่อมาก็อยู่ในวัดพอต่อมาก็มาอยู่กับตนเองสติเขอยู่กับตนเองนี่นิ่งแต่เน่ยพอมีสติจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแต่ขณะที่มันจะรวมเป็นหนึ่งนะมันจะบางทีมันจะเสียดซะก่อนนะขณสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมนะ เออคือมันจิตใจมันร้องร ว, รวมว่าเขามานะี่ยเย็นวาดเขามาในจิตใจเพียงแค่นั้นแ่ะใจของเราเนี่ยโอ้มีความสุขทําไมเราเผลอหลับไปแล้วเปล่าเมื่อกี้เนี่ยแต่เราก็ตั้งใจอยู่นะทํทาไมมันเป็นอย่างนี้วะเนะี่ยอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจรวมสงบลงชั่วขณะหนึ่งเอออันนี้ก็ กิดใจรวมส่งแต่มันถอนออกมาก็าถอยออกมาแล้วเราจะพยายามอีกจังมันจะไม่เป็นอีกเก่าอย่างเก่านะแต่เอาเถอะเมื่อมันเป็นแล้วเราอย่าไปตั้งใจอยากให้มันเป็นอีกเราเอาเราดูต้นเหตุของมันอีกเรากําหนดลมหายใจเข้าออกตามปกติเดินจงกรมตามปกติาจากนั้นต้องมีความพยายามพิความตั้งใจมันจะรวมอีกนะมันจะรวมแต่มันจะพอมา ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมันจะรวมมากไปกว่านั้นนี้มันรวมเขานี่มันจิตใจมันจะรวมนิ่งแต่มันไม่รวมสงบใจของเราเนี่ยนึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันทันตัวผู้รู้รู้ตัวผู้รู้มันนึกคิดอะไรสติของเราทันว่านึกคิดเรื่องอะไร ควบคุมจิตใจอยู่จิตใจไม่หิวไม่โหยไม่ทุลนไม่ทุลายไม่ทุกนะจิตใจมีสติสติคุมตัวผู้รู้อยู่ตัวผู้รู้รู้ได้ว่าเสียงอะไรได้ยินเสียงฟ้าผ่าเป้ยงเสียงรถเสียงคนแต่ไม่ได้สนใจจิตใจไม่ไปตามไปตามเสียงนั้นรู้แต่สักวารู้เท่านั้นกลับเข้ามาหาที่เก่าอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิจิตใจที่ไปอยู่ อุปจาระไปว่าไปจากนั้นก็สงบเข้ามาหาตัวเองได้จิตใจไม่ทะเลาะถ่ายอันนี้แรีจิตใจที่เป็นอุปจารสมาธิในเมื่อเรามีความพยายามตั้งใจอยู่ใจของเราจะรวมสงบนิ่งลงไปอีก เ, ออเป็นหนึ่งจิตใจที่รวมเป็นหนึ่งถึงอัปปนาสมาธิเมื่อจิตใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตใจเป็นอันใดใจเป็นอันใดสติเป็นอันนั้น สติเป็นอะไดจิตเป็นอันนั้นจิตกับสติเป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกันนิ่งเราจะไม่รับรู้ทางกายเรานั่งสมาธินะ่ะไม่รับรู้ทางกายเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเหมือนกับอุปจารสมาธิไม่เป็นแปลว่ากายกับใจเนี่ตัดขาดกันเขนละอันกันแยกกันกายกับใจใจกับกายไม่รับรู้กันไม่รับรู้ทางตาทางหูทา ง, ทา ง, ทางจมูก ทางลิ้นทางกายใจเป็นใจกายเป็นกายแยกกันเ อ, อ, อย่ากนั้นมามันก็เข้ามาหาร่างกายอีกถอนจิตใจถอนก็นมามารับรู้ทางร่างกายเรารู้ได้เลยว่าอืเมื่อกี้นี่ใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเราสงบมีความสุขจริงๆสมกับทำคําสอนของพระพุทธเจา้าที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอจุดนี้เองมีความสุขจริงอันนี้คือจิตใจที่เป็นสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิในขั้นนี้เรามั่นใจได้เลยว่าใจของเราเออกับกายของเราเป็นคนละอันกันเป็นได้ชัดเจนเราบองบง่งบอกในตัวของเราเองได้เลยว่าตายแล้วไม่สูนร่างกายในตายสูนแน่นอน เอาไปเผาไปทิ้งแน่นอนแต่นามพรธรรมคือใจดวงนี้นะ่ยไม่สูญไม่ตายออกจากร่างนี้ไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้นี่แหละอันนี้เรามั่นใจเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านจึงบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกตามหลักธรรมคําสอนของพุทธท่านจริงแท้แน่นอนตายก็ไม่สูญเพราะว่าร่างกายตายเอาไปเผาไปทิ้งแน่ แต่นามธรรมคือจิตใจตัวผู้รู้นะ่ะตัวนั้นไม่ตายนีเนี่ยพอจิตใจถอดเข้มาหาร่างกายดรื่องนีเ้เราจะรู้ได้ว่าอืมกายกับใจใจกับกายร่างกายนี่ว่าเป็นรูประทับแต่จิตใจนั้นได้ว่านามธรรมนามธรรมกับรูประทับอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันหลวงพ่อจึงบอกกล่าวให้กนัทธาญาณโยมได้ทราบว่า ทุกวันนี้คนใช้รถมากหลวงพ่อก็บอกว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็คือรถแต่จิตใจของเราคือนามธรรมนะคือคนขับรถแต่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท, ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเครื่องของร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้ความสําคัญแต่ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่ า, ท, าท่านจึงเป็นเป็นพุทธภาสิทธว่างมโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจน เพราะนั้นพระพุทธศาสนาให้ความต้องการเรื่องของใจมากกว่านะคะศึกษาญาติโยมอันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องสมาธิแต่นี้พอจากนั้นมาเราจะเพียงสมาธิเพียงแค่นี้เหรอต่อไปเราจะต้องก้าวไปทางด้านปัญญาที่นี่นะให้ฟังกอนไว้นะที่นี่น ะ, ะสมัครฐานนี่คือทําจิตใจให้สงบไม่เกินกว่านี้เลือกความสงบนะถึงอัปปนาสมาธิแล้วจบเพียงแค่นี้ตอนี้ถึงด้านปัญญา ตัวนี้แหะถึงตัวด้านปัญญาตัวนี้แหละที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราต้องอาศัยท่านผู้รู้อาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านจะได้นำสั่งสอนเพราะนั้นพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายลูกปู่มั่นท่านจะให้ความเคารพในครูบาอาจารย์อย่างมากเป็นไรเพราะว่าเรื่องปัญญาพิปัสนาตัวนี้นะมันต้องใสศครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าว จะเดินทางยังไงจะทํำยังไงในเรื่องวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นแนวความคิดนะทีเนี่ยวิปัสสนาเมื่อทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วจิตใจนิ่งสงบแล้วจะทํำยังไงต่อไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโดยมากที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการแนะนําจากครูบาอาจารย์จะติดในสมาธิ พ่อจิตสมาธิมีความสุขมากเราเนี่ยเคยติดสมาธิมาหลายปีองหลวงตามหาบัวท่านพูดนะจิตสมาธิมาหลายปีเราคิดว่าเมื่อนั่งจิตสงบนิ่งแล้วนะ <c oughs> สติเป็นอะไรจิตเป็นนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นนั้นเมื่อจิตเมื่อเป็นสมาธิแล้วอันนี้เลยคือจะเป็นนิพพานเออท่านพูดถึงขนาดเลยมันละเอียดมากมันมีความสุขจริง แต่พอมาถึงหลวงปู่มั่นท่านหลวงปู่มั่นก็นาบธนวนะันน่ะนี่อนไรคือคือองค์หลวงตาท่านได้นำสั่งสอนคือครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้พิจารณาร่างกายที่ไหท่านบอกว่าให้ถอนนะอย่าไปอยู่ในสมาธินั้นถ้าเราจะเดินจะจะให้จิตใจของเราก้าวหน้านะต้องเดินทางออกมาทางวิปัสสนาตามมาพิจารณาร่างกาย ร่างกายของเราเนี่แหละเป็นหินลับปัญญาจะให้เกิดปัญญาเฉลียบเฉียบแหลงก้าวไกลขึ้นไปได้ต้องอาศัยการพิจารณาพิจารณาอย่างอื่นพิจารณาเวทนาวิจนาวิจพิจารณาสังขารวิญญาณอันนั้นมันละเอียดไปให้พิจารณาร่างกายร่างกายเนี่ยคือตั้งแต่เกสาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหมังสังเนื้อเอ็นกระดูก เยอะในกระดูกอาการ32หรือเราจะพิจารณาถึงณร่างกายของเราก็าได้คือแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายทําให้ให้เห็นกระดูกเอาเถอะเราชําแหลกเนื้อหนังออกไปหมดแล้วให้เหลือแต่กระดูกโครงกระดูกอย่างเดียวเราไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนเราก็จะเป็นอยู่ในกระดาษก็ตาม อ, อ, อยู่ที่เขาวาดภาพแล้วก็ตามอยู่เป็นโครงกระดับ ดวงโครงกระดูกจริงก็ตามในเมื่อเราเห็นโครงกระดูกเราก็นำมาเปรียบเทียบกับตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงไหมในโครงกระดูกนี้มีกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกกระดูกคอกระดูกฟั่นกระดูกหยปาระกระดูกแขนขวากระดูกแขนซ้ายกระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกฝ่ามือ จากนั้นกระดูกชี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกชาวโพกกระดูกเอวกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าทั้งสองข้างเรามีกระดูกอย่างนั้นจริงไหมอย่างที่เราเห็นเนี่ยนี่แหละให้เรามาพิจารณากระดูกในร่างกายของเราเนี่ยแหละคือหินรับปัญญาให้พิจารณาร่างกายร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเป็นกระดูกนะ ในเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราเห็นร่างกายไปสู่สภาพดินน้ำดินคืออะไรคือกระดูกคือของแข็งคือกระดูกน้ำคือคือน้ำปัสสาวะน้ำเลือดน้ำตาเอาน้ำที่อยู่ในร่างกายราธาตุน้ำธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องของเราลมในลำไส้ของเราธาตุลมธาตุไฟคือทำร่างกายให้อบอุ่นเผาอาหารให้ย่อย ทธาตุร่างกายของเราเป็นไปด้วยธาตุสี่อยู่ในร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งเวลาคนตายธาตุไฟก็ดับไปต่อไปธาตุลงก็หมดไปแล้วก็ธาตุน้ำก็แห้งไปยังเหลือกระดูกทักธาตุดินจะอยู่นานกว่าเพื่อนในร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุสีดินน้าลมไฟ ร่างกายกายตั้งร่างกายของเรามีส่วนจุดจบสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายของเราเป็นของไม่มั่นคงทีนี้ก็พิจารณาร่างกายขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องทับสลายลงสู่ดินน้ำลงไฟเรื่องอย่างอื่นล่ะยศถามบรรดาศักว์ล่ะ เงินคำทรัพย์สมบัติละ่ะญาติพี่น้องละ่ะพ่อแม่เพื่อนฝูงละ่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่าใจนะเทนี่เมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิจิตใจเคยนิ่งเคยเป็นสมาธิมาก่อนเมื่อพิจารณาอย่างนี้จะเห็นชัดเจนในความรู้สึกนะักคณะรัตยา ญ, ญาติโยม ล, กลูกหลานจากนั้นเมื่อเห็นเห็นร่างกายของตัเองแล้วก็พิจารณา การเป็นอยู่ของตัวเองล้วนแล้วจะเป็นอนิจจังพกขังอนัตตาจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจน่ใจของเราเองเป็นไปหลงในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเป็นหลงร่างกายเราหลงร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราจากนั้นก็หลงเรื่องอย่างอื่นออกไปข้างนอกล้วนแล้วจะเป็นความหลงทั้งหมดเพราะอะไรเพราะร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเรา อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะตกแปลสภาพ อ, อีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นเมื่อเราพิจนารณาถึงใจของเราใจของเราอเองความรู้สึกนึกคิดมันกระดกตกิกุเด็กอยู่ในจิตในใจท่านเราก็เห็นใจของเราเองเห็นอนิจจังในใจของเราสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธกระทั่งใจเท่น ใจของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอนิจจังพุกขังอนัตตาในเมื่อปฏิเสธทั้งใจของเราแล้วทีนี้เราได้อะไรเหมือนแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสือใช่ไหมละ่ะเราไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเราไม่รู้หนังสือแต่พอเราเรียนรู้หนังสือขึ้นแล้วไอ้ความที่ตัวที่ไม่รู้นะ่ะมันหายไปไหนมันก็หายไปที่ใจหายตัวที่ในนั้นหายไปอยู่ในจุดนั้นละ่ะหายที่ตรงที่มันรู้นั่นละ่ะนี้ก็เหมือนกันนะล่ะ ถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นแล้วเราเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในจุดนั้นนั่นแหละมรรคผลที่ผ่านในหลักธรรมคําสอนของพุทธะเนี่ยไม่ได้หาที่ไหนนะอยู่ที่ใจทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสตาญาติโยมทุกทุกท่านนะอันนี้เรื่องวิปัสสึงสมัทธา เ, เรื่องทานเรื่องศีลเป็นพื้นฐาน เ, เป็นเปลือกเป็นกระพี้ ต่อมามาพูดถึงเรื่องสมาธิและเรื่องปัญญานี่เราเป็นเรื่องของแก่นของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่ได้มาร่วมมารวมกันในวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นหวงพ่อได้กล่าวถึงเบื้องตน้นจนถึงที่สุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้พาประพฤติธปฏิบัติมาเรื่องสมาธิเป็นยังไง เรื่องปัญญาวิปัสนาเป็นยังไงก็ ข, ขอให้พวกเราศึกษ า, าแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกเราหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อแนะนำเนี่ยไม่ผิดนะมั่นใจไม่ว่าไม่ผิดจึงแนะนำสั่งสอนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้นำไปประพฤติปฏิบัติดูนะหลวงพ่อคิดว่าพวกเราจะรู้ถึงจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคายในระดับหนึ่ง จะรู้แจ้งเห็นจริงในระดับหนึ่งคิดว่ามีความสุขทางด้านจิตใจเขาแล้วกันนะแล้วก็วันนี้ได้กล่าวาสัมมอดธนิยกถายกพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปูชาจากปูชนียานะั่งความแปลเล็ความหมายว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา บุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอย่างองค์ท่านเจ้าคุณพระอุโรมยานโมรีจงหลวงปู่ของเราทุกปู่จันร์ีของพวกเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นปูชนิยะบุคคลพวกเราควรเคารพสักการะนี่แหละบุคคลที่ควรบูชาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายจึงให้ความเคารพบูชาอันนี้แล้วว่าบูชาจากปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงพ่อแถมท้ายว่าขยะวยะธรรมมาสังฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติหลวงพ่อเอายกทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระ อ, องค์จะปรินิพานในวันเดือนหกเพน ที่เมืองกุชินาราในคืนวันเดือน6เพ่นนั้นพระองค์บอกสังเสียภิกษุพุทธบริษัทว่าขยะวยะธรรมมาสร้างคาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดหาความีิรังฐาวรไม่ได้ในร่างกายอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอีกที่ไม่กี่นานไปข้างหน้าเราตถาคตก็จะปรินิพานแล้วตายแล้วเพราะร่างกายของเรานี่จะปล่อยวางทิ้ง นี่แหละพวกท่านทั้งหลายตรงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเรียกว่าขยัวยธรรมมาสร้างขาราอั ป, ปมาเดนะซ้ำปาเดธาติท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดร่างกายสร้างขานไม่เที่ยงแต่พร้อมกันท่านก็ไม่ให้ปล่อยปลาละเลยประโยชน์ตนก็ให้พวกเรานั่งสมาธิภาวนาประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศล เข้าสูญญ่จิตใจตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจากนั้นประโยชน์ท่านเราก็จะช่วยเหลือชุมชนสังคมช่วยเหลือชงเคราะห์อนุเคราะห์อะไรให้มันเกิดประโยชน์ก็ช่วยเหลือชุมชนและสังคมเพราะการอยู่ด้วยกันก็จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งซึ่งกันละกันผู้ใหญ่ก็ต้องอาศัยผู้น้อยผู้น้อยก็อาศัยผู้ใหญ่ผู้มั่งมีเงินคำทรัพย์สมบัติก็พึ่องอาศัยคนยากคนจนคนจนก็อาศัยคนยากคนมีคนร่ํารวย อาศัยคนละข้างคนละด้านกันเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันคพราะนั้นในห ล, ลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ทาท่านจึงบอกกล่าวแนะนำพุทธบริษัท4อย่างพวกเราท่านทั้งหลายใ ห, ให้ประกอบคุณงามความดีให้เป็นสัมมาชีพคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความเจริญเพราะนั้นการกล่าวสมโภชในยัคถาในวันนี้เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอานาจคุณพระศีรัตน์ไรพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกอนุภาพบุญบารมีของหลวงปู่ของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาถึงแปดสิบกว่าพรรษาแล้วก็ขอให้มาคุ้มครองพวกเราลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสินใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิดพระนัทถาญาติโยมวันนี้กันเทศของหลวงพ่อรวมทั้งหมดนะเป็นเงินสดเจ0 0 0มหนึ่งพ จะเพิ่งสาโทที่ยังพ่อจะไม่จบนะเจ็ดหมื่นหนึ่งแด้อหกสี่บาทนะนะแล้วมีเช็ดถวายหลวงพ่อเป็นเนี่ยนะยกเขามาที่นี่อีกเนี่ยหนึ่งมื่นบาทเป็นเช็คลงพ่อจะรวมเข้าไปรวมแล้วเป็นแปดหมื่นหนึ่งแด้หกสบาทนะุนา แล้วก็หม้บให้ท่านเจ้าคุณมออให้หลวงปู่ท่านต้องได้ใช้ในโรงพยาบาลนนะลูกหลานนะห้ได้บุญใน ห, หลายทุกคนนะลูกหลานนะหมออไห้คณะกรรมการ เ, เพื่อดูแลสุขภาพของหลวงปู่ของพวกเราเรวมแล้วเป็นเงิน 80,000 กว่าบาทนะไม่ถึงแสนว่ะ เอาละพอในทีนี้เนอะ